ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะนำเสนอส ม, มะถะเอกกรรมฐานในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปคือในการให้พิจารณาที่กายเนี่ย ก็ตามปกติแล้วเราจะพบว่าบางทีก็ไปมองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลากสูญเสียเป็นธรรมดาก็าไม่ไปเจาะในรายละเอียดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดได้เราเห็นได้เนี่ยมันก็ถ่ายถอนฐามาณนะชีวิตออกไปเช่นเดียวกันในที่นี้ทรงแยกกายออกไปเป็น เขาเรียกว่าปัภะปัปภะคือเป็นหมวดไปหมวดแรกก็เป็นการพูดเรื่องลมหายใจเข้าออกหมวดที่สองก็พูดเรื่องอิรยิยาบถองธรรมที่ใชยก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรเหมือนเดิมแต่ก็รับสั่งว่า ดูก่ภิกษุทั้งหลายประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเมื่อเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าให้ตั้งสติอยู่กับกายยืนก็มีสติรู้ในยาบทยืน เดินก็มีสติรู้ยาบทเดินก็แสดงว่ามีทั้งสติสัมปชัญญะความเพียรที่กำกับอยู่กับอิยาบทที่เราเคลื่อนไหวในแต่ละขณะก็แน่นอนเมื่อก่อนก็คือตั้งสติสัมปชัญญะแต่มาถึงจุดหนึ่งนี้เราจะเห็นความเกิดดับของกายความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของกายของ ของอิรยบทนะฮะของอิรยบททั้งหลายคือเรียดจากหน่วยย่อยคืออิรยบทอันเป็นส่วนหนึ่งของกายก็มองไปที่คนอื่นก็เหมือนกันอั้นเราเห็นว่าที่เรายกมือขึ้นเนี่ยยกมือขึ้นแล้วยกมือลงเนี่ยที่จริงมันก็มีการเกิดดับอยู่ทุกขณะหายใจเข้าใจออกก็เกิดดับอยู่ทุกขณะมันก็ ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมองจะใช้ปัญญามันจะเกิดเออจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วในที่สุดก็สรุปว่าการนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็ปล่อยวางสนามานาะทิฏฐิเหมือนเหมือนกันนะฮะแล้วแล้วแกแล้วแต่ว่าใครจะใช้อิเดียบทใดเป็นหลักแล้วถ้าเราเห็นสักิริยบทอย่างอื่นเราก็เห็นต่อ การต่อไปนั้นเราจะเห็นว่าจะใช้สัมมัญญะคือใช้ปัญญาเปินิปิจนาแล้วก็มีสติก็ค่อนข้างแหลมคงขึ้นนะครับเพราะว่าเรียบทย่อยทั้งหลายไม่ว่าจะทํายังไงจะดื่มจะกินจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่แขนจะเหยียดแขนจะหยิบของจะเอี่ยวตัวจะอะไรก็ไม่รู้คือขยับอะไรก็ให้มีเรียบบทให้มีสติระลึลกรู้อยู่ที่นั้น ตามความเปลี่ยนแปลงของอริยาบทที่ท่านเรียกว่ารูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนรูปคู่คแขนเดียวกแขนอะไรต่างต่างก็ตั้งสติตามแล้วไปก็เหมือนกันนะฮะพอถึงจะเดินก็จะเห็นความเกิดขึ้นของอริยาบทเหล่าเนี้และความเสื่อมไปของอระยะของเอริยบทเหล่านี้ อย่างแนวที่ก็สอนยุบหน่อพองหนอเราจะเห็นเป็นอาการของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปช่วงยาวๆช่วงสั้นๆจนถึงในช่วงที่ยิบแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะปล่อยวางเพราะตัวเนื้อหาสาระเนี่ยวเนื้อหาสาระจริงๆ ก, ก็คือที่รับสั่งไวเป็นหลักทุกๆทุกข้อนะทุกๆปัปะ เธอเป็นผู้อันตัรหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่เพราะ ง, งั้นต้องเห็นการจางไปคลายไปของตันหามานาทิฏฐิตัวนี้เป็นเป็นเป็นบทเรียนแต่เราวัดผลด้วยการลดของพวกนี้ทีนี้ถ้าไม่วดัดอ่าถ้าไม่ลดเนี่ก็ถือว่าสอบไม่ผ่านคือบางครั้งวันคราวนี่เราไป เราไปมองในที่อื่นเยวมาเลยเคยเคยตั้งข้อสังเกตเราไปที่สำนักกรรมาฐานเนี่ยมันมีตู้รับบริจาคเยอะเอ๊ะทำไมเพราะกรรมาฐานเนี่ยมันสงบโลภะนะฮะไทำไมท่านโลภะจังเพราะก็ท่านก็มีได้ เธอเธอมีอะไรล่ะถ้าเธอมีสมาธิจริงเธอต้องไม่มีโลภะการที่เธอมีโลภะเนี่ยแสดงว่าเธอไม่มีสมาธิก็นานมาแล้วยามีพระก็อายุค่อนข้างมากนะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าบวชนานเท่าไหร่ท่านมาขอบาทก็ถามมาบาทของท่านไม่มีล่ะ ท่านก็บอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขานิยมบาดสเตนเลตกันาถามบาดสเตนเลตเป็นไงท่านก็อธิบายให้ฟังก็ง เ, เห็นว่าเราก็อยู่ในฐานะครูบาอาจารย์นะเขามาขอมันก็ต้องหาให้เราก็ไม่มีหรอกแต่ก็คิดจะให้เด็กไปหาให้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เด็กไปหาให้ คำมหาของพระนี่ก็คือเด็กไปซื้อนะฮะแต่เราก็ใช้คำมหาเขาเรียกว่าปันเป็นกัปปิยะโบหารหรือสมณะโวหารพอเราบอกเราจะให้เนี่ยท่านขอตั้งเก้าใบไงถามเอา้าทำไมจะเอาตั้งเก้าใบเอาไปแจกเพื่อนครับเขานิยมกันมากอย น, นีย้บอกโอ้ไม่ถวายแล้วครับตั้งนงี้ย เราปรากฏว่าใบหนึ่งเป็ น, นพันๆเนแล้วก็เตือนท่านเลยเพราะว่าบอกว่าอย่าลืมว่าท่านเป็นกรรมฐานท่านแสดงตัวเป็นกรรมฐานท่านขอไม่ได้ว่ากาันแต่ว่าท่านขอทีเดียวทั้งก้าใบเนี่ยมันโลภนะครับแล้วก็เบียดเบียนผมนะผมจะเงินมาจากไหนมาซื้อบาตถว า, ายท่านตั้งตั้งเก้าใบอย่างเงี้ลวลก็ถือโอกาสอบรมไปเสีเลย แล้วก็จากนั้นก็มีพยายามมองมานึนกแปลกคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าในแวดวงของพระเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ประชุมอภิปรายธรรมะแลกเปลี่ยนธรรมสากัร์กศานี่คือแลกเปลี่ยนธรรมะกันเวลาเราประชุมมันก็จะมีสื่อทางเดียวและความผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปถึงก็เลคเชอร์เลย อธิบายแล้วก็เป็นจะมีทิศทางอะไรที่ชัดเจนเพราะถ้าเรามีการสัมมนามีการตรวจ ด, ดูพ อ, อย่างในอระหารนิยธรรมเนี่ยท่านบอกว่าไ ม, ไม่ใช่ในในในทักษะพิณาปเจเวกันนะบันปจิตควรพิจารณาเนืองว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ่เราจะได้เป็นผู้ไม่เกอเ้อเขิอในเมื่อเพื่อนมันพชิตถามในการไปหลังเผื่อถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงถึงจิตดูที่จิตดูที่ศีลดูที่สามาธิดูที่ปัญญาการแทนที่จะถามว่าปีนี้เลื่อนหรือไม่เลื่อนนะฮะเป็นอะไรแล้วอะไรแต่ไรเนี่ยปีนี้รับสมาครศัการฉลองหรือไม่ฉลองฉลองเมื่อไรอะไรแต่เนี่ยโอกันเลสนะฮะแล้วก็เป็นค่านิยมเป็นแฟชั่น เป็นวิธีการคิดที่น่ากลัวผลรุ่ท้ายเนี่ยพระจะมีค่าเลี้ยงดูราคาแพงนะระวังให้ดีเพราะว่าใครใจะจ่ายมันเยอะก็ะยังเคยตั้งข้อสเกตนะว่าเอมลาเลี้ยงพระนี่ทำไมอาหารมันเยอะจังก็เป็นความนิยม แต่บางคราวมันไม่ใช่เรื่องจ้าภาพเดียวนะะคือต่างคนดังก็นำอาหารมาก็เป็นเรื่องจำเป็นะ่ะแต่เขาต่อไปเขาก็เลี้ยงกันแต่สรุปแล้วว่าในการปฏิบัติทั้งหมดต้องเห็นการลดของนิวรตันหามานาทิจิมนนอนขึ้นิวรณ์นะฮะพวกนิวรนะ์นั่นแะแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าตันหาและทิจิคือไม่ได้พูดมานะ แต่ว่าในตัวหลักจริงๆเนี่ยจะใช้คำประมาณน่าด้วยเพราะพวกนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าปะปัญญธรรมคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเนื่นช้าคนก็สูญเสียเวลาไปเยอะเพราะว่าความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยแม้จะไปไหนมาไหนก็รุงรังเพราะของเรามันเยอะแล้วเป็นห่วงเป็นใยของเรากัน วันเราดูที่ยบทเนี่ยแล้วเราลองทั้งกต่เราก็พร้อมจะตายในเรียบททั้งสี่เนี่ยตลอดทั้งยาบทย่อยทั้งหลายเนี่ยกวันก่อนยังนึกถึงลูกศิษย์ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมศพเพราะว่าเขาอุทิตร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาก็ไปงานวันมรณภาพของสมเด็จพระหมหามุนีวงวัดนอรนาท ขนนี้มุนไปสดับประกรณ์ก็พระพระรู้จักเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่พอเวลามันหมุนไปเลยถึงประเสร็จแล้วก็ออกก็ไม่ได้หันไปคุยอะไรกับใครก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นกลับมาถึงกุฏิก็มีพระโทมาบอกบรู้สึกดีเนี่ยตายแล้ว ถามเป็นไงตายแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านลุกขึ้นเพื่อจะกลับวัดเนี่ยทศิษ์คือพระมหาอุทยัยก็ลุกขึ้นลุกขึ้นส่งลุกขึ้นแสดงความเคารพแล้วก็สุดหงายหลังเลยตายเลยถามว่าตายเรียบบทไหนรเราจะว่าเป็นเรียบบท ยืนขึ้นมาอย่างไม่เต็มที่เราจะถือว่านั่งก็ไม่ถือว่ายืนก็ไม่ได้นะฮะพ อ, อยังไม่ถึงก็ยืนนิ่งแต่พอลุกขึ้นมาอย่างไม่เต็มที่ก็สูดวัวลงไปแหละก็ตายแต่ลึกๆรู้สึกยินดีนะก็ชอบนะตายอย่างนั้เน่ยพอได้ข่าวว่าใครตายแบบทันทีทันใดนะฮะ นอนหลับตายไปเลยเรืออะไรตายไปเลยเนี่ยก็รู้สึกชอบเราถ้าตายอย่างนั้นระห่างก็ดีเหมือนกันนะเห็นคนที่ตายอย่างทุกทรมานแหละรู้สึกโอ้ถ้าเจออย่างนั้นก็ยุ่งเหมือนกันแต่ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง น, นะฮะถ้าอย่างนั้นคือเราจะใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ก็นานมาแล้วท่านอุปชาาัายะท่านป่วย แล้วท่านก็เป็นห่วงใหญ่วิตกังวลอะไรเยอะที่วัดของท่านต่างจังหวัดก็มักจะถามข่าวบนทัืงคน น, คนั้นคนนี้คนนู้นแต่มาไปก็เลยบอกท่านอุปจายทาใจสบายนะครับเรื่องที่วัดเรื่องที่อะไรทั้งหมดเนี่ยผมจะรับผิดชอบดูแลให้เองท่านไม่ต้องสนใจเวเนท่านสนใจที่ที่แปลคือท่านถูกเจาะที่คอ มารู้สึกว่ามันเร่งอะไรอะไรเนี่ยนะบอกเขาดูตรงเนี้ยตั้งสติระลึกรู้ดูอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นเรื่องอื่นคนอื่นจัด ก, การให้ถ้าหายไปก็ค่อยว่ากันถ้าท่านไม่หายก็สงสีเหล่านั้นเป็นของสงอยู่แล้วก็ดีใจนะจนถึงทุกวันยังรู้สึกภูมิใจทียว่าทั้งฟังนะ พอพูดท่านฟังท่านอาจว่นึ ก, กว่าเ อ, อือสัตว์ที่วดีของเราคนนี้มันเป็นยังไงมัเทศสอนุปัชฌาย์ท่านฟังทั้งฝั่งนิ่งและท่านก็พยักหน้าแล้จากนั้นเนี่ยท่านท่านท่านไม่วุ่นวายอะไรเลยสงบมากแล้วจนตายไปอย่างอย่างสงบแต่สวยงามมากแล้วมาการดำเนินการจัด ก, การงานศพของท่านให้เรียบร้อยตอนนั้นเราก็ยังเหป็นพระเด็ก คือถ้าถ้าเรามองในแง่มุมของธรรมะว่าระดับศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญา ก, ก็ดีเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนานะี่ยแต่กถาท่านเรียกสมถะญานิกวิปัสสนายานิกมันเป็นสมนุนใหม่ที่เรียกขึ้นมาพระพุทธเจ้าเองเขาเรียกเฉพาะสมถะวิปัสสนาแต่เด็แล้วก็มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละ ถึงแม้ว่าใครจะอธิบายเจะแยกประเภทอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องความคิดของท่านเอมามองในตัวอย่างคนนะฮะเวลาเราเห็นองค์ธรรมแเราไปมองที่คนด้วยเรามองที่พระยาสาวกนี่คือเป็นต้นแบบจริงๆเนี่ยท่านท่านท่า น, า น, านปฏิบัติให้ดูละท่านบรรลุให้ดูแล้ว ท, ท่านเป็นพระยาบุคคลให้ดูแลเพราะเราจะมองที่ส่งโน้นมากกว่า เพราะตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านอธิบายแล้วท่านเองเนี่ยท่านสัมผัสหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะคนที่สัมผัสเนี่ยเป็นพระอระหันต์มันระดับพระสังฆีติกาจารย์ไม่ใช่ว่าระดับของพระรตถาจารย์ตราจารย์ตามที่ปรากฏก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นพระอระหันต์แต่ว่าท่านก็มีคุณอุปการมากนะคุณอุปการมากที่อธิบายชี้แจงเอาไว้แต่ว่า คืออย่าไปไปเชื่อทั้งหมดมันต้องเนื่าเกอตรงนี้มันขัดกันตรงโน้นนะเดี๋ยวตรงโน้นมันเป็นเป็นเป็นธรรมะภาคสนามเลยภาคปฏิบัติเลยท่านมันรู้ให้ดูยังยกตัวอย่างเช่นมีการพูดเราพุทธานุสติเป็นได้แค่ระดับของอะไรอุปจาระอุปจาระสมาธิไม่จริงอ่ะพูดเรื่อยไป ก็เพราะว่ากะลิท่านก็เกิดพุทธานุติขึ้นมาคมปิติเดินพวดไปเข้าวพวทชงบรรลุมักคลปไปไลยแล้วก็พระที่เห็นพระพุทธรูปแล้วก็เพ่งเจริญพุทธานุติบรรลุอรหัตเป็นพระหันน่าจะไหวไงเพราะว่าวต้องต้องต้องกลับไปตรงน้นด้วย แล้วจะไม่ไปถกเฉียงอะไรในเรื่องล่านนี้บางทีก็เอาอัตรกรถาซึ่งซึ่งก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งอะ่ะเเป็นบุรพาจารย์เรานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซนอย่าอย่าไปทุ่มร้อยเอร์ซพระพุทธเจา้าจนทุ่รอยเปอร์เซนตเลยพระจ้าบิดกนี้ทุ่มไปร0อซแต่ก็ยังที่บอกนะว่าบางทีเนี่ยเป็นอุปมาเป็นตัวอย่าง เช่นทรงอุปมาว่าบาปย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเวียนติดตามรอยเท้าโคไปเนี่ยไอตัวล้อเวียนติดตามรอยเท้าโคมันอุปมาที่เหมาะสมกับตรงนั้นแหละที่พระเจ้าทรงเทศเนี่ยคือชี้ได้เวียนมันเยอะแต่ถ้าเราไปพูดกับเด็กเวลา น, นี้มันก็ยุ่งแหละเวียนเป็นอะไรยังไม่รู้จักเลยเกวียนเป็นไงนก็ต้องน้องอธิบายเกวียนก็ นึ ก, กว่านี่คืออุปมานี่คืออุปมาเฉยๆเพราะงั้นเราต้องอุปมาเนี่ยต้องร่วมสมัยคงเนื้อหาไว้แต่ว่าไม่ไม่จาเป็นจะต้องไปรักษาอุปมาถึงมันเป็นรูปแบบเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนื้อหาก็เหมือนกันแเช่นสมมติว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้และเราไม่พยายามขวนขวายศึกษาเนี่ย แล้วไปเจอคำถามในเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเราตอบได้หรือไม่เธอก็ตอบเราตอบไม่ได้บอกว่ใช่บาปมันก็ติดตามเราไปให้โทษแกเราอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับความไม่รู้ที่มันติดเราอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเรานอนมันก็นอนด้วยเราหลับมันก็หลับด้วยมันอยู่กับเราตลอดแล้วมันสรน้างปัญหาเราตลอดบาปจะมีลักษณะอย่างนั้นก็เปลี่ยนได้นะ เปียนได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเนื้อหาธรรมะนี่ต้องรักษาไว้ทีนี้สํัหรคนบางพวกเนี่ยระดับนี้นะระดับสามข้อนี้ที่จริงก็เป็นหลักแล้วแต่ว่าบางทีนี่ใจมันไม่เอานะมันไม่ไปมันไม่เห็นนะ่ะเปิมไม่เห็นพระองค์ก็แสดงอีกระดับหนึ่ง ดับหนึ่งก็คือเขาเรียกปฏิกูละปพระพระย่าลือมาต้องการลดตัณหานะลดความกำหนัดความเพลิดเพลินความหินดีในในกายตนแล้วก็กายคนอื่นนะฮะแต่ว่าเรียนจากกายตนแต่ที่จะเรียนจากกายตนคืคนอื่นแล้วเรียนไปเรียนมาก็พิดูที่กายคนอื่ น, นะนเนี่ยเพราะกายตนนี่ทําใจยอมรับยาก อย่างเวรนี้มันปรุงแต่งกันเยอะเครื่องปรุงแต่งที่โฆษณาทางโทรทัศน์เนี่ยด้จริงเราก็เห็นได้ชัดว่าร่างกายมันปฏิกูลเสียเงินเสียทองดูแลอบกลิ่นรักษามันทำความสะอาดมันออกมาทามารักษาปกปิดกลิ่นเหม็นเอาไว้อุ้ยเยอะหลกลงทุนกันเยอะได้ปีๆพวกปรังเศสรวยเพราะเรื่องนี้นะเพราะแนวสัมปชัญญะประพาเนี่ยมันมัน ความเคลื่อนไหวเนี่ยมีสติกำกับตลอดแล้วก็เสร็จแล้วจะเห็นเหมือนกันเนี่ยพอมาถึงปฏิกูลประาเนี่ยหมายความว่ามาดูที่ร่างกายตามปกติแล้วรียกมีอาการสามสิบสองก็อยู่ในร่างกายเราเนี่ยองค์ประกอบทั้งดินน้ำลมไฟอากาศสรุปแล้วก็เป็นอาการสามสิบสองแต่ว่าตรงนี้จะเน้นในส่วนที่ สามารถสัมผัสได้นะฮะอาการสามสองก็เริ่มจากผมขนแลือกผ น, นังเวลาพระใหม่บวชเนี่ยเขาแยกมันตรงนี้แยกมันชุดหนึงเรียกว่าตาจักรบรยากากรรมฐานผมขนแลือกผ น, นังเพราะในตัวเราเราไม่เก็ตจริงๆสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคนอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่ปรากฏแก่สายตาเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในกอในขอในคอเนี่ยเราเห็นอะไร เราเห็นผมเราเห็นขนเราเห็นเล็บเราเห็นฟันเราเห็นหนังอย่างอื่นเราไม่ได้เห็นเนี่ยบมื่อตัวนี้จะชัดแต่ตรงตรงนี้มันปรุงกันเยอะเลยลงทุนไปเยอะนะฮะเราจะเห็นว่าผมก็โอ้เสียค่าปรุงแต่งเยอะขนก็เสียค่าปรุงแต่งเยอะเล็บก็เสียค่าปรุงแต่งฟันโอก็บํารุงรักษากันเยอะหนังทั้งตัวนะฮะหนังทั้งตัวที่หุ้มทั้งหมดก็เป็นหนังทั้งนั้นแหละ ไ น, นี่ราคาแพงไลยมีแป้งมีสบู่มีอะไรๆสารพัดเลยและหลอกกันทางโทรทัศน์นี่หลอกกันทางนั้นนะ่ะผิวโอ้โหยอย่างกับเทวดามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แปลกอะ่ะคือทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าหลอกแต่คนก็นึกว่าจริงก็ชอบอย่างนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเองมันถูกปรุงแต่งแล้วก็มอมเมามอมเมาให้หลง ชะโลกก็เป็นเหยื่อนะพวกนี้จริงมันเป็นอามิดคือเป็นเหยื่อทีนี้ก็ทรงสอนเลยไปเลยผมคนเล็กผนังอยู่โดยสีโดยสัณฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยผู้โพลยิทิ์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดความเพลิดเพลินในกายตนแค่ก่อ น, นะฮะกายตนแล้วค่อยไปกายคนอื่นก็คือการนั่นแหละกายคนอื่นก็ผมคนเล็กผนังเหมือนกัน ทีนไอ้ที่หนังมันหุ้มอยู่เนี่ยมันก็มีเอ็นมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกบางครั้งพระพุทธจ้าส่งอุปมาว่าร่างกายนี้อันกระดูกรวมสามร้อยทอดในยกขึ้นเป็นโครงแล้วก็มัดไว้ด้วยเส้นเอ็นโบกฉาบฉาบไว้ด้วยเนื้อแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังแต่โอ้โหมันใหญ่อัตรามันใหญ่มากเลย รายเป็นที่ตั้งของตัวกูของกูอัตตานะฮะอะหังการมังการโอ้ยปัญหามาเยอะเลยทางทางที่เป็นกองของธาตุล้วนๆแล้วพอเราแยกมาเป็นธาตุเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์กรรมาฐานในวรวรเนี่ยาศาสาจารย์อยเกตุสิงห์ท่านมาทำเอาไว้ท่านเอาธาตุสี่เนี่ย ธาตุที่ที่มีอยู่ในร่างกายคนคนหนึ่งมาใส่เอาไว้ท่าน้ํานเยอะนะฮะธาตุอื่นก็ไม่อะไรแต่ว่าสารพัดธาตุนะต่้านเอ า, นานมันใส่มีเหล็กเท่าไรตะกั่วเท่าไรอะไรอะ่รอะไรก็รรเอามาแยกให้ดูแต่กลายเป็นร่างกายเป็นอารมณ์กรรมฐานหลข้างในมันก็เป็นเนื้อเป็นเอน็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกแต่ตรงนี้ที่จริงเราเราไม่เห็นละ แต่ว่ามันก็เห็นได้ในโอกาสอื่นเรา่า จ, จะเห็นจากอาหารทั้งหลายเนี่ยพวกอาหารทั้งหลายที่มันมีพว ก, กเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของการานแต่ว่าพวกนี้จะใช้แนวนะฮะเขาเรียกอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือมองในฐานะที่เป็นความปฏิกูลของอาหารไม่ได้มองในแนวเนี้ยถามว่ามองในนี้ได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเขาที่จริงก็คืออันเดียวกันอนรนารมณ์การมฐานทั้งหมดได้ลองสังเกตที่จริงกันเดียวกันลมหายใจเข้าออกก็ดียาบทใหญ่ก็ดียาบทย่อยก็ดีแล้วมาจนถึงเนี้ยมาจนถึงปฏิกูลเพียงแต่ว่าดึงกับตรงไหนเพราะว่าตามปกติคนเวลากําหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยมันจะมีวิธีมองอยู่สองแนวสมใช้คำว่าถือโดยนิมิต กระือโดยอนุพยัญชนะนิมิตก็คือเอาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสิ่งเป็นคันอะไรไปเลยคนนี้สวยคนนี้หล่อบ้านนี้สวยรถนี้งามอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะว่าทีนี้บางทีนีมันย่อยคนนี้ตาสวยคนนี้จมูกสวยคนนี้ปากสวยคนนี้คิ้วสวยอะไรแต่อะไรต่างๆส่วนในส่วนหนึ่งนะหยิบมาหลายส่วนอ่า แล้วก็เสร็จแล้วก็สดุปอย่าลืมสวยอย่างเดียวก็ยุ่งแล้วนะบางทีกาหนดสวยอย่างเดียกก็ยุ่งแะอย่างเราเคยมีดาราอาพัฒนาเนยไม่ใช่เพชรลาเลยเพชรลาจักราชดาราสาวอะไรนะสายตาหยาดน้ำพึ่งอะไรนี่นะก็โอเธอก็แสดงหนังเยอะนะ ที่เคยเล่าเรื่องเจ้าชายกุนาละตาสวยนะฮะตาเหมือกนกับนกกุนาละตากลายเป็นปัญหาอย่างพระบุบรรณาเทรีเนี่ยรูปเป็นปัญหามายความถือโดยนิมิตอะพระบุบรรนาเทรีรูปเป็นปัญหาสวยเกินไปฮะคนมันอยากได้หมดยุ่งพ่อของท่านไม่รู้จะทํำยังไงคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอคนนั้นก็ขอ ผู้หญิงคนเดียท่านเลยก็มีทางออกถามว่าลูกจะบวชไหมลูกพระบุญวนาท่านมีบารมีแก่กล้านะฮะก็คือพระกัญหาในเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยมาเกิดเป็นพระบุญวนาจเจดีย์ไอคำถามของพ่อเนี่ยเหมือมนกระดรสโดยน้ํามนต์เหมือนกระดรสโดยน้ํามันนะน้ามันที่เขาบอกว่าต้มเคี่ยวอย่างดีมันจะเย็นหรืออะไรเนี่ไม่ทราบนะก็ไอถ้าก็บวช ดับบุชก็กลายเป็นยังมีปัญหาตามไปจนถึงท่านบรรลุมรรคผลเป็นรานแล้วยังมีตามไปผู้ชายยังวุ่นวายอนยนี้เองใ น, นเรื่องเดียว น, นั้นรูปงามรูปสวยแต่เจ้าชายกุณาลัิตาอย่างเดียวจนถึงกับพระสนมของพระเจ้า ก, ก็ขนาดมมหสีระดับไมหสีเจ้าหญิงติสยารลักษิตาเนี่ย ต้องการที่จะได้เป็นสามีต้องการในลูกธรยศพ่อขนาดนั้นนะ น, นะไม่คิดเราไม่คิดอะไรเป็นอะไรแล้วจะาายไม่เล่นด้วยแล้วก็ออกไปเป็นอุปราชที่อุดเชนีเธอปลอมเป็นประหลมราชองการของพระเจ้าสุกมันก็แนวแย่งตุกทาจติว่าเนี่ยคือฉันครอบครองไม่ได้คนอื่นก็ครอบครองไม่ได้ ก็มีพระมราชองการให้พิสูตสัจจะความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชพิดาร์ไปขอควักดวงตาส่งมาถวายเจ้าชายนึกว่าเป็นพรมราชองการจริงก็ควักถวายเลยแสดงความจงรักภักดีก็ใสซื่อนะคือเราดูคนโบราณเนี่ยบางทีก็ใสซื่อมากเลยไม่ค่อยคิดแต่เราคอบทบทวนอะไรต่ออะ เชอเขาอาจจะเป็นวิบากกรรมสร้างกันมานะแต่ว่าเราจะเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยว่าแม้แต่ อ, อย่างเดียวนะก็แย่เกิดกาหนดหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยยังผมสวยอย่างนี้นก็ยุ่งกันนะผมงามเนี่ยบางทีก็ยุ่งแหละอย่าง น, นปันจาปาปีเนี่ยสัมผัสเป็นทิพย์ร่างกายอะฮะเวลาจับแล้วมันเป็นทิพย์ มันคนรู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีมันก็อยู่ใน ส, สวรรค์นะยุ่งเลยนะผลท้ายกษร ส, สัตว์สองพระองค์แย่งกันแนะย่งกันครอบครองต่างคนต่างไม่ยอมกันนะจะยกกองทัพมาแย่งผู้หญิงพิกลพิการนะหน้าท่านพิการนะปัญจาปาปีในะเร็วพิการนะห้าข้อห้าจุดด้วยกันเรืนี้เลยกลายเป็นเรื่อใหญ่เจ้าดังสิดาเนี่ยเราเห็นว่าทั้งรูปเลย อย่างการนึกนางอะไรพิมพิราลาย์นางวันทองอะไรแต่ไหก็ยุ่งๆเพราะฉะนั้นพอเราแยกออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรละเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้าเป็นหัวใจเป็นตับเป็นผังผืดเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้าตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้าไขข้อน้ามูด จนถึงอันนั้นสมองก็ เ, เรียกมัทหลุงคังคือเนื้อสมองคือสมองอุ ป, ปมาเห็นว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมันเหมือนกระถุงนะถุงที่จะกล่าก็ถุงผ้าหรือถุงอะไรก็ได้นะะเอาปีบ๊บ อ, อะไรก็ได้อุ ป, ปมาว่าเราของใส่ลงไปอะของอะไรบางๆก็ใส่ลงไปในนั้นแต่พอล้วงขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอของที่เราใส่ลงไป โดยทรงอุปมาสมับยุคนั้นนี่ยนะฮะทรงอุปมาว่ามันจะมีธรญชาติน า, นาชนิดเหมือนข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษที่มีในตาดีพอแก้ออกเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้นี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ข้าวนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาห น, นี่ข้าวสารท่าใดพิสูก็เหมือนกันฮะ พอพอมองลึกลงไปที่กายเนี่ยมันก็จะหากายไม่เจอมันกลาๆกยก็แยกออกมาทีละชิ้นแต่ชิ้นนี้ก็หมายความว่าเป็นการสอดรับกับแนวอนุพยัญชนะคือคนไปกำหนัดเพลิดเพลินในแนวที่แยกส่วนทีนี้พอพอเรามองแล้วเนี่ยจะแยกส่วนหรือว่ารวมกันก็คือกันลนะคือเป็นของปฏิกูล น่าเกลียดสกปรกเปิดสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วในที่สุดก็จะออกข้อความเช่นเดียวกันคือจะพไไิจาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปแล้วก็ในที่สุดก็จะเห็นความดับไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เกิดเด๋มไม่ใช่แล้วก็ดับดั บ, ดบ เมือ่อกวชีวิตเราได้ดับดั บ, ด บ, ดบดับทุกขณะตายมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อังก่ก่อนมีคนปีเดียวกันเนะฮะเขาโทรมาถามปัญหาเ็าถามข่าวก่าวเรื่องสุขภาพปราดลไม่บอกว่าอย่าไปยุ่งมาเลยร่างกายมันเป็นร่างของโรคเป็นของเปื่อยเน่าจะต้องผูกพังไปยุ่งมันเสียเวลาเปล่า ก็มาด้วยการก็ไปด้วยการาแค่นันแหละไม่ต้องไปเดือดร้อนมีโรคอะไรมันติดเรามามันก็เราตายมันก็ตายด้วยแหละคือไม่ต้แบกโรคเอาไว้มันก็ยุ่งเสียเวลาเราเปล่าคือยังนึกถึงถึงญาติโยมบางคนที่ท่านอยู่บนเตียงแล้วมีสายระโยงระยางระเยอะยมา ก, มากๆนึกว่าทำอะไร คือชีวิตมันตายแน่ก็อยู่ที่ว่าตายอย่างไรดีกว่าคือพยายามที่จะตายด้วยบุญด้วยกุศลมาตายเกิดตายเกิดเดี๋ยวไมจะเอาอะไรมันยุ่งยุ่งมาเปล่าก็ถ้ามาคนที่ทำความดีเรียกว่าผู้ไม่กลัวต่อประโลกเนี่ย ตายเมื่อไรก็ได้มันมันเป็นการย้ายจากกระต้อไปอยู่ปร า, าสาทไม่แปลกอะไรหรอกแต่ว่าอย่าไปเร่งค่าตัวตายนะฮะหมายความว่าในค่าตัวตายผิดบาทนะพระจิตมันขุนก็ไม่เกิดดีหรอกเพราะว่าดับด้วยจิตที่ขุณ แต่ว่าบางคราวเนี่ยเราก็พบตัวอย่างมีพระอาหารหันต์อยู่4ีห้ารูปอาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรข้างนั่นท่านก็เชื่อคอตัวเองแล้วใช้ตรงเนี้ยเป็นเวทนานุปษษัสนาสติปษษษัฏฐานดูเวทนาคือทุกเวทนาเป็นอารมณ์แล้วก็บรรลุมรักผลเป็นพระหนพร้อมด้วยการดับของชีวิตบรรลุ ป, ปั๊บก็ดับปุ๊บไปตายก็เรียกว่าชีวิตะสมสชสีซึ่งถือว่า เป็นเรื่องกระบวนการของกรรมกรรมมันมาจัดการก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอ่ะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้และวบางทีเนี่ยมารปลอมตัวไปกราบทูนระพุทธเจ้าพุทธเจ้าใแม่ได้แสดงอะไรก็ทรงรู้เพราะพระพุทธเจ้าเองก็ไปหยุดกรรมก็ดื่นไม่ได้นะกรรมของพระองค์เองยังหยุดไม่ได้เลยอันดีตกรรมเนะี่ย มันหยุดกรรมปัจจุบันกับกรรมอนาคตมันไม่มีนะเพราะไม่มีการทำไม่มีกิเลสเป็นเหตุ ท, ทำก ร, รมแล้วจากนั้นก็จะแยกออกไปธาตุสี่ธาตุสีก็คือพวกอาการสามที่สองที่ว่าอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าพูดปนกันไปทีนี้พอไปแยกเป็นเป็นธาตุสี่ก็ ก, กาหนดที่ลักษณะละักษณะใดที่แข็งแรง่ะ แข็งแก็เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยอะไรแต่ไปเรื่อยไปจะถึงมันสมองก็ถือว่าเป็นธาตุดินมันมีลักษณะแข่งแข็งทีนี้พวกน้ําลายน้ํนนาเหงื่อน้ํามูกน้ําไขข้อน้ํำมูดเหงื่อน้ําตาเปรี้ยวมันอะไรอะไรเนี่ยมันมันใสมันข้นพวกนี้ก็ถือว่าธาตุน้ําีรี้ลักษณะของไฟไฟพัดขึ้นเบื้องบ น, บนไฟพัดลมเบืบ้องต่ํา ไฟในท้องไฟตามตัวไฟเผาอาหารในย่อยว่าก็ถากไฟแล้วลมนะลมลืมไปนะฮะไฟเนี่ยไฟทำกายอบอุ่นทำกายให้สุดโสมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารในย่อยแล้วนอก น, นั้นก็เป็นทันลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมตามตัวก็ ตรงนี้เป็นส่วนแยกของโลกข้างนอกเราเห็นว่าโลกข้างนอกมันก็มีลมน้ําดินน้ําลมควายอากาศเราก็เป็นดินน้าลมควายอากาศมันข้อที่จริงคือแต่คนเข้าถึงความจริงตรงนี้ไม่รู้จะฆ่ากันไปทําไมนะฮะเราเป็นส่วนแยกของธรรมชาติ ด, ด้วยกันแล้วกลัวไปทําไมมันก็กรดดินกดน้ํากดหลมกดไฟอะทำไมไปโกดดินน้ําลมควายไม่ รักอะไรกันนะถ้ารักในรักรักในฐานะเป็นเพื่อนเป็นเมตตาในะีก็ดีนะครแต่รักในลักษณะเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์คือฟังการสํารวจอะไรสถิติในเรื่องบางเรื่องนี่ก็ก็น่าสลดนะฮะรู้สึกว่าใจมันไหลไปเยอะทีนี้จาก จากจุดนี้ก็ทรงสอนกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะฮะคือคือว่าพอถึองจุดหนึ่งนี่จะกลับไปไปเหมือนกันหมดทุกข้อเพราะฉั้นอารมณ์ข้างต้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแต่ว่าพอตอนปลายนี่จะจำเหมือนกันคือรับสั่งว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกา ย, ในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างอยู่จากนั้นก็จะเห็นนะมันก็หาหากายไม่เจออย่างที่ว่าเนี่ยหากายไม่เจออ่าธาตุปภะาในทรงอุปมาเหมือนกับ คนเข้าไปนะ่ยแต่ว่าในในในสติปัฏฐานสูตรไม่ไม่ได้ยกมานะฮะคือไปยกที่มหาสติปัฏฐานสูตรเพราะเหมือนกับคนที่เข้าไปในร้านตลาดไปซื้อเนื้อสัตว์อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อโคเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะเราหาเราหาหมูไม่เจอนะฮะมันไม่มีความเป็นหมูมันอยู่ที่ไหนอ่ะความเป็นโคความเป็นควายเนะี่ยมันอยู่ที่ไหน มันไม่มีหมูมีขัวมีควายมันมีสักวลว่าเนื้อสักเลว่าเครื่องในอะไรตับไตใส่ปุ้งกว่ากันไปเราเมื่อก็คือกันเราถ้าแยกออกไปเราก็ไม่ไม่เป็นเราอะไม่มีเราไม่เป็นเราตายปั๊บเดียวก็เป็นศพแล้วหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าปั๊บเดียวเป็นศพแล ที่จริงคนเราถ้าถ้าได้คิดในเรื่องเหล่านี้เราก็คงไม่คิดว่าบารรลุผลอะไรหรหรอกแต่ว่ามันจะลดตัญหามานะทิฐิลงไปได้เยอะเพราะาไม่รู้โกรธไปทําไมไม่รู้เกลียกันไปทําไมไม่รู้แกลงแย่งไปทําไมมันก็มันก็นึกดูถึงว่าที่วันก่อนทีมีคนมา ถามเรื่องความคิดเห็นในเรื่องศาสนาปรีอานมันมีประเด็นหนึ่งที่เขาถามนะคือถามมาเชื่อไหมเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับศาสนาปรีอานเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกแต่เชื่อว่าในอนาคตมีพระพุทธเจา้าแต่ท่านจะชื่อสีอานหรือไม่ในเราไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันภาษา ม, มันเปลี่ยนเยอะนะ แล้วอีกไม่รู้ตั้กี่ล้านปีเนี่ยเราจังยังคิดว่าภาษาสนรนนิษฐ์ี่ยังอยู่เหรอเราก็ไม่รู้ว่าโลกมันไปกันถึงไหนแล้วนะฮะแต่พระเจ้าเนี่ยคงต้องมีแหละในอนาคตแต่มันไกลขนาดไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้คนๆก็ไม่ได้คิดอะอยังว่าพื้นที่ราบเป็นหน้ากลองอย่างเงี้ยไปเชื่อได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรหรอ โลกก็คือโลกพระพุทธเจ้าคือเราพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างโลกโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกมันเป็นน่ะพุทธเจ้ามาสัจสรลูอริยสัจสี่แล้วก็มาสอนธรรมะตอนนั้นเองและถามว่าโลกราบเป็นน่ากล่อมมันเป็นความคิดของคนยุคเกษตรกรรมที่ขี้เกียจเดินขึ้นสูงเงะเหนื่อยน้ําไหลขึ้นข้างหนึ่งหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งก็แสดงว่ามั น, ม, นมันยุคภายเรือ ความคิดภายเรือขี้เกียจอ่ะคือดูมันขี้เกียจเยอจังมีต้นการาบลาประพฤกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองต้องการไรายได้ตามต้องการคนหน้าเหมือนกันหมดโอ้ยไม่รู้ใครอธิบายอะนะไม่รู้อธิบายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่สรุปว่าความคิดมันเป็นยุคเกษตรกรรมที่ขี้เกียจมากๆนะ เราต้องมีอนาคตตังสยาม น, นะฮะจึงจะพูดเรื่องเหล่านี้ได้มันเป็นเรื่องอนาคตลิบล้นพ้นที่จะรำมาณได้รู้ได้ยังไงอะ่ะเพะื่อนอธิบายไกลเกินสติปัญญาที่เรารู้เห็นคือเราไปเสร็วว่าจริงเรายืนยันว่าจริงมันก็ไม่ได้เราไปเสร็วว่าไม่จริงมันก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้อะ่ะ แต่ว่าเราก็ตั้งปัญหาปัจจุบันว่าถ้าเราไปได้สิ่งเหล่านั้นที่เราชอบไหมบอกว่าไม่เอาหรอกคือยังนึกว่ามือเท้าไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วจะอยู่กันทําไมอะ่ะไม่จะทําอะไรเลย อ, อันนี้ก็คือก็คื อ, คอเป็นเป็นการมองที่ที่จะเห็นว่าพอพอเราพยายามคิดแล้วมันจะลดอ่ะมันจะลดตัณหา ม, มาหนะ้ทิศถีลงไป โดยเฉ่าตันหาที่มันสายผิดทิศทางอย่างเงี้ยมันก็กเจอกระเจินไปเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจออริยสัจสีเรียบร้อยแล้วโอ้ต้องการพบศาสนาภาีอ่านมันเรื่องอะไระเรารู้ได้ยังไงว่าในสังสารวัฏยาวนานแล้วเราตายปับ๊บเกิดปุ๊บเข้ามาพบพระพุทธเจ้าพอดีเนี่โอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะ คนรู้เหมือนก็เต่าลอยอยู่ในทะเลนะฮะอยู่ในกระแสคลื่นลมนี่มันโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็มีที่เกาะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะนักพุทธศาสนาะจึงสอนแม่ประมาทเรนี่เรามีรู้แต่เจา้าเรามีพระธรรมเรามีพระสงฆ์เรามีครบแล้วเราก็พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติพยายามสัมผัสผลไม่ต้องไปรออนาคตหรอกเอาที่ปัจจุบันนี่แหละ มันของมาอยู่ในมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของที่อยู่ในมือให้ได้นี่คือหลักการทั้งกันต้างฟังตั้งหลายเสียงธรรมจากเมาทลัยสีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้พิสุมีขอความเจริญงอองงามเผยบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี